ควรจะช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เขาใส่ร้ายพ่อเราอยู่ไ่ายเดียวนะครับ